ทำลังกันไ ด, ได้ยินได้ฟังในรรทำใจเราได้ในการที่เราได้ทําเรากําลังทํามกรรมฐานพึกกรรมฐานวิชากรรมฐานก็พูดเรื่องกรรมฐานเพื่อให้เป็นมิตร เอาสิ่งที่บอกที่สอนนี่เป็นการดียาณมิตรเอาพระธรรมเป็นการดียาณมิตรเอาหลักปฏิบัติตามพระธรรมเป็นกนารดียาณมิตรเอากายเราเป็นการดียาณมิตรเอาใจเราเป็นการดียาณมิตร เอาเพื่อนภิกษุสงฆ์ชี่วาจุบาอจิกาเป็นกันญาณามิตร <c oughs> เอาต้นไม้เอาธรรมชาติเป็นกันญาณมิตรเอากติเสดอาสนะเป็นกันญาณามิตรเอาอาหารการฉันเป็นกันญาณมิตร ต้นไม้อยู่ข้างทางที่เราเดินยงคงยืนอยู่นิ่งๆเวลาเราคิดก็เอาตัวอย่างต้นไม้บ้างมันยืนอยู่เช่นนั้นไม่หวั่นไหวชั่วนาตาปีต้นวางต้นสองสามรอยสี่รอยปีก็มีอยู่ที่นี่ถึงเวลาก็ มีดอกออกผลเตี้ยวละก็บใบร่วงใบหล่นถึงกาวที่มันมีดอกไมผลม้วก็มีสุขภาพมีสิงแวดล้อมที่ดีถึงแถวที่ใบร่วงหล่นก็ขาดอาหารสละใบที่มันแฉลัมันอุตสาห์สร้างขึ้นมา เวลาไม่มีอาหารสละใบออกให้เหลือแต่ลำต้นถ้ามันเอาใบไว้มันก็จะตายก็เหมือนดูดน้ำมากมันไม่มีน้ำเลี้ยงก็สละออกไปใบที่ร่วงหล่นลงมาก็เป็นปุ๋ยปุ๋ยที่เหมือนเกิดจากกินสีวัตถุจากใบม่อยก็เป็นเห็ด เกิดขึ้นมาเราก็ได้กินเห็ดได้เลือดได้เนื้อได้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดลอ้อมน้ำพึ่งเหลือเสือพึ่งป่าบางทีก็อยู่คนเดียวอามดเป็นเพื่อนบ้างจะเป็นสัตว์ที่มีชีวิตอันหนึ่ง มันสนกสนานดีอยู่กับธรรมชาติถ้าเราดูตัวเองศึกษากับตัวเองจริงๆจะเป็นมิตรกับทุกอย่างในโลกนี้เห็นงูก็เป็นมิตรกับงูเห็นเสือก็เป็นมิตรกับเสือได้อากาศหนาวก็เป็นมิตรกับอากาศหนาวอากาศร้อนก็เป็นมิตรกับอากาศร้อนคือมันเป็นธรรมชาติสู่ธรรมชาติทุกอย่างในโลกนี ยิ่งเราปฏิบัติ ร, รมในสติได้เห็นสิ่งแวดล้อมที่รอบถัวเราในตัวเรานี่มันก็บ่งบอกเสมอเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นดั้นเองเป็นธรรมชาติเป็นธรรมะเป็นกฎธรรมชาติเป็นหน้าที่ธรรมชาติวัตถุการหลังตางอยู่ในกายในใจเรานี่ก็มีธรรมชาติ ของกายของใจธรรมชาตินี้เมื่อเป็นธรรมชาติก็มีที่เกิดกับธรมชาตินี้นี้กายที่เป็นรูปจิตที่เกิดจิวนรูปนี่ก็มีนี้ใจเป็นนามจิตที่เกิดจิวนใจก็มีทัางอย่างผิดเพี้ยนจากธรรมชาติ เป็นความหลงไม่ใช่ธรรมชาติเป็นอาการที่เกิดขึ้นมาก็เห็นซอไม่รู้จักเราเมื่อได้หลงความหลงมาทีหลังเป็นนาคัรตุกกะควมทุกข์เป็นอาคัรตุกกะจรมาความโกรธเป็นอาคัรตุกกะจรมาควมทุกข์ความรักควา ม, วามชั่งเป็นอาคารตุกกะจอดมา มาอาสัยกายมาอาศัยใจมาอาศัยรูปมาอาศัยนามนี่ถ้าเราไม่มีสติเห็นตามก็เป็นจริงก็ไปยึดไปถือว่าเป็นตัวเป็นตนทำตามอาการนันนั่นความโกรธก็ทำตามความโกรธความทุกข์ก็ทำตามความทุกข์มันก็เลยผิดธรรมชาติไปธรรมชาติก็ลงโทษ ถูกเป็นทุกข์ทุกข์ก็ลงโทษเจ็บปวดเสียใจสูญเสียทั้งกายทั้งใจสูญเสียจุขภาพกระทบก็ะทั่งก็กกวาวยว่าต่างๆงเลือดกับพออาหารตับไตไส้พงต่างๆผลนถูกทบไปหมดชเชจนเราโกรธกืนข้าวไม่ลงน้ำย่อยไม่มีกับข้ออาหารไปยืด เมืกะเพาะ อ, อาหารไม่ยืดบีบดกับพ่อเขาหาการกลายเป็นโลกกับพ่ออาานี่แต่เราลงโทษตัวเราดูดีๆเวลาเราปฏิบัติเราได้หลักได้ฐานพอสมควรการได้หลักได้ฐานเช่นนี้จึงเป็นการบรรลุธรรมหลุดพ้นได้จริงๆใบหลักได้ฐานเกิดจากรูปจากนาม เบื่อแย่ไปหมดเลยเราเห็นสองอย่างเห็นผิดก็เห็นถูกเห็นทุกก็เห็นไม่ทุกเห็นความโกรธก็เห็นความไม่โกรธผู้ที่เห็นเช่นนี้ก็ปฏิบัติตัวได้อย่างดีมีสิทธิที่จะปฏิบัติให้เกิดความถูกต้องในทุกรูปแบบ มันหลงมีจิตที่ไม่หลงเวลามันทุกข์ก็มีจิตที่ไม่ทุกข์เวลามันโกรธมีจิตที่ไม่โกรธเปิดความฉลาดมีปัญญาขึ้นมาปัญญาคิดนี้ปัญญาออกจากทุกข์ปัญญาแห่งพุทธะปัญญาแห่งการเห็นธรรมนี่เป็นปัญญาพุทธะปฏิบัติตามทำจนทำให้เกิดหลุดพ้น กลายเป็นสังขาขึ้นมาในชีวิตรวมกันอาศัยเชื่องกันละการเป็นสังาขากลายใจไปด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวกันมีสติเป็นเช่นได้ร้อยเข้ามาอันเดียวกันแต่เห็นรูป ก, ก็ามีสติ หูที่ยิงเสียงก็มีสติจะหมกได้กินล่นได้ลดกายสัมผัสจิจนใจ น, น, นึกสติตอนนั้นที่รู้จักเป็นเจ้าของเป็นความเป็นธรรมไม่เกิดขึ้นที่กายที่ใจเราแต่ถ้าเราไม่มีสติก็เพี้ยนไปหมดเลยจากจริงที่ ปกติการเป็นสิ่งที่เพี้ยนไปผิดปกติไปม า, ากมายจนแต่เป็นจิตก็จิตเดิมแท้สูญห้อยไปเป็นจิตที่ปรุงที่แต่งเพราะมันเพื่อนได้จิตใจของเราที่เป็นนามธรรมเนยมันเพื่อนได้กลายเป็นจดิณิสัย เป็นลาค้าสลิดพ้นโทษสาสลิดเป็นโมหะสลิดกลายกระเพื่อนได้กับยเป็นเสิยงเสพติดติดหน่อยอย่างอรถก็ติดกินก็ติดเสียงก็ติดไรก็ติดติดแม่กระทั้งสิ่งที่เป็นพิษเป็นพายกินเหล้ามาอยาบ่ <c oughs> ให้เกิดอุบัติเหตุ เกิดเป็นบ้าเกิดเป็นประสาทตอนนี้ก็นั่งอยู่วัดภูกขาทองคนเมาเล่าก็ลูกจีบของเหล่านี่เองเกิดมาบวชยู่กับเราถือเล่าใจกวดกระิ้งแดงมาวางลงก็กราบพระ เจ๋อไม่เมาไม่เคยเข้ามาวัดเมาแล้วก็เดินเข้ามากราบพระมาดูน่าตาเปิดอเปื่อยไปหมดเลยนี่เจ๋อลอยเลือดตลกไหลไปบนเลยจมูกสีบไปปากหน้าหมดไปเลยมีเมื่อใเมาเล่าโล่มถามก็ไม่รู้เรื่องพูดแล้วเมอไปทั่ว โดยหมดโอกาสซะคนดีๆคนงามๆหน้าตาดีหุ่นดีกลเป็นคนไม่ดีไปเลยเดินไปหาใครใครก็ว่าอยากพูดเพราะอะ่อยเพราะใช้ชีวิตเพดสุขสนเจ้าลีงสุขสน้สุขสนก็เป็นทุกข์เป็นโทษได้ จึงต้องหัดตนสอนตนกายเรานี้ใจเรานี้ถ้าไม่มีสติหัดเป็นครูเฝึกหดสตินี้เป็นครูสอนกายสอนใจที่เห็นในทุกรูปแบบแม้กระทั่งความคิดก็เห็นสตินี้ครูที่เป็นครูตนตนีตน่ไม่เห็นความคิดของตัวเราสตินี้เห็น ไม่กระทั่งความคิดก็เห็นถ้ามีจิตเห็นก็มากเได้สอนจิตสอนรูปสอนนามที่มีจิตเป็นครูได้สอนเมื่อมีจิตสอนอยู่บบว่าก็เชื่องก็รู้ เกิดเป็นคุณธรรมขึ้นมาอันใดหนึ่งเป็นพระเยี่ยบุคคลชั่นใดชั่นหนึ่งได้พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระนาคามีพระรหันตามสมควนเจราญปฏิบัติเราปฏิบัติมันสนุกดีเป็นกอ่อเป็นกรรมขึ้นมาได้หลักได้ฐานนี้จิตเห็นกาที่เป็นประจำ สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายก็ผ่านได้ทุกอย่างาลงตัวที่กายสัตว์ากายสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายไม่ใช่กายปนาการต่างๆมากมายก็ไม่ไปกับังเห็นกายสัตว์ากายสุขทุกข์ก็สักว่าสุขว่าทุกข์ไม่เป็นตัวเป็นตนต่อไปอีกกายในกายจิตในจิตเวทนาในเวทนา ทำในธทำเกิดต่อกันไปจากกายมาจะเดินเป็นธาตุกายเป็นภพภูมิต่างๆถ้าผิดก็ไปเป็นภพภูมิต่างๆเป็นเปรตเป็นปนสุลกายเป็นสันนลกเป็นไรจันต่ำลงไปฮะทุกในสติเห็นกายสภาวะกายเวทนาสภาวะเวทนาจิตสภาวะจิตธรรมสภาวะธรรมก็ไป ภูมิสูงๆไปสู่มนุษย์นุษย์เป็นพระได้พระคือเป็นมรรคเป็นผลได้เน อ, อมีสติเห็นเช่นนี้แล้วก็เอาไว้หลังอยู่เลยสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเอาไว้หลังสตินำทางไปเป็นมรรคเห็นนี่เป็นมรรค อเป็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีมากแล้วเียโก้ไปแล้วไม่ได้เดินแล้วหลงทางไปแล้วไม่มีทางแล้วมืดไปแล้วแล้วหลงเป็นหลงกว่ามืดไปแล้วทุกเป็นทุกกว่ามืดไปแล้วโกรธเป็นโกรธกว่ามืดไปแล้วโกรธไม่พบทางก็ย่อมมืดตกหงอกตกหหวไปรู้จักทิศทางทําะไมไม่ถูกต้องคิดก็ไม่ถูกต้องพูดไม่ถูกต้องผิดไปเลย <c oughs> ได้เห็นอะไรสมบัติะลูกขึ้นมานี่มันเห็นเห็นเห็นแจ้งด้วยความหลงไม่ถูกต้องจริงๆความไม่หลงถูกต้องจริงจริงตัดสินใจได้ไม่ต้องถามใครเป็นคำตอบของตัวเองสัจธรรมเป็นคําตอบของเองไม่ใช่มีคําถาม เทุกค์ก็ไม่ถูกต้องก็มไม่ทุกถูกต้องไม่จนไม่จนต่ออาการต่างๆไม่แต่ปัญญาอยู่ในทุกขรูปแบบปิดบนเล็บปิดลวนเล็เปิดได้ใชได้ได้ไดไดเกิดปัญญาเพราะมีปัญหาได้เห็น สิ่งที่ผิดที่ถูกเกิดขึ้นที่กายที่ใจที่รูปที่นามนี้มีสติเป็นหลักจับหลักอยู่กับเช่นทางอยู่เสมอมีสติเต็ ท, ที่ตั้งได้บวากรรมาฐานนว่าใช้ให้ครูอาจารย์ทู่เจ๋งๆทู่เจ๋งๆขนาดไหนก็ไม่มีประโยชน์ เวลาท่านพูดจบแล้วก็หมดไปหายไปวันที่ก็จยจเอาก็ไม่มีประโยชน์ลู่จำามาใช่ลู่แจ้งการลู่จมไม่มีประโยชน์เหมือนนกแก้วนงขนทองเก้ว จ, จ๋ินเจ้าจ๋ินเข้ากับกล้วยจินเข้ากับกล้วยบอะขนบอกจำบอกร้องที่ฉส้นนั้น กินกับพริกก็ว่าจริงกับกล้วยกินพริกก็ว่าจริงกล้วยภาษานกแก้วหนุนทองทองจอมบทส่วนมนต์ได้เจอยะแต่ยังไม่รู้แจ้งเป็นภาษาอื่นภาษาสมมติบัญญัติวัตถุอาการภาษาสาธิติภาษาจาธนะวัตถุไป สาธระบุคคลว่าจดทาต่อบุคคลอื่นเอาดีจากคนอื่นดีอยู่ในตัวยังไม่สร้างขึ้นมานเั้นคนดีก็พากันกราบมันไหวเอาบุญกับคนอื่นบุญที่เกิดกับเราบุญคือวาวาที่รู้เนี่ยรู้อะไรรู้กายรู้ใจสิ่งที่ผิดที่ถูกเกิดขึ้นในกานใจรู้นเนี่ย เนืองได้ทำผิดรู้ผิดมาจะทำผิดรู้บัรทุกก็ไม่ทุกเปลี่ยนได้ไหมวาบุญน่ะนะหลุดออกจากบาป่ะบาปก็ไม่รู้โง้ทุกบาปคือทุกะไม่หลงไม่รู้จึงทุกทุกก็จะเป็นทุกทุกไม่ต้องทุกเพราะความทุกมีบุญอย่างนี้เลยวะได้ทำบุญไว้ในปางก่อน วันนี้ชั่วโมงนี้นาทีนี้วินาทีนี้เรารู้อยู่แล้วปัจจุบันนี้เรารู้อยู่แล้วแล้วก็เป็นอดีตไปอดีตก็เป็นเส่วสๆนีนเราเกิดความรูม้มากมาตั้งแต่เมื่อวานนี่ 1. หนึ่งวันได้ความรู้สองวันได้ความรู้มาสองวันได้ความรู้มาเจดวันได้ความรู้มากรูก้มากรู้ขึ้นมานี่ย บุญหวังก่อนบุกเพกะตะปุญญาตาบุคลผู้ได้ทำบุญไว้ในปางก่อนคืออยากการรมฐานนี่เป็นกกบเป็นกรรมขึ้นมาเนี่ยลไปหาที่ไหนใครทูตเที่วเจิงสอนจริงมีเยอะแยะจำมาเหมือนน้ำไหลก็ได้อย่างพระโกธิละจำพระไตรปิดกได้หมด ไปอยู่ที่ในเอวเมฆจุดตังเอกรงสุนยังก้าวพระตัยระโดกออกมาเห็นกายขอเอวเมฆจุดตังเรื่องพระเจ้าสอนอะไรที่ไหนเมื่อไรทําอะไระไระสูตรหลายอยู่ที่ไหนอยู่ในความจำทั้งหมดไปพพเผาพระเจ้าพระเจ้ากระถาม่ พิชุไปหลานเป่ามาเล่าหรือเวลากลับไปลาพระเจ้าพิกษุไปหลานเป่าไปเล่าหรือพระเจ้าไม่สรรเสริญเลยแทนที่จะจบย่อเรามีแต่ความจำความรู้ทิถิมานะ่าโอ้วดคมคนอื่นอาว่าถ้า ขำพูดของจาภาษาศาสตร์เรียนมาแต่แลักปฏิบัติสัมผัสกับธรรมะจริงๆไม่มีมีแต่ภาษาที่จะพูดออกมาจำเอกมาลู้จำไม่ใช่ลู้แจ้งลู้แจ้งไม่ต้องจำก็ได้เวลาจะพูดไลยออกมาจากธรรมชาติที่มันบ่งบอก ในกาในใจเรานี่ผิดก็เอาคอประกันปฏิบัติได้จริงทําได้จริงจริงจึงบอกจริงสอนเวลามันหลงไม่หลงทําได้ในความไม่หลงในความหลงเวลามันทุกข์ไม่ทุกข์ในความทุกข์ทำได้พ้นได้มันทําได้อย่างนี้ มันน่าจะหลงมันน่าจะทุกข์มันน่าจะโกรธเป็นอกุศลแท้ๆไม่ดีเลยความไม่หลงความไม่ทุกข์ความไม่โกรธความไม่โลภเป็นกุศลดีแท้ๆเราไม่เกิดสันติสุขึ้นมาวีใหม่ในสี่วันนี้ถ้ามียังมีชีวิตอยู่ขอบอกความเท็จความจริงโ จ, งจงผู้โตคนมีอยู่ในกายในใจเรานี่ อย่าระหาของเก่งจั ก, กันอื่นจริงศักดิ์สิทธิ์ที่ปฏิหารนันอื่นศักดิ์สิทธิ์ก็คือตัวเรานี่ททำได้สำเร็จฤทธิ์คือความสำเร็จจากความชั่วมาเป็นความดีทำได้สำเร็จทุกรูปทุกแบบทั้งกายทั้งใจทั้งการกระทากระทำทางกายจะทำความดีจะทำทั้งวาจาจะพูดดีสิ่งที่ถูกต้อง ความทางจะชิดดีเอือกลายสุจริตวะจีสุจริตมโนสุจริตเราก็ไปเรียนอาวุนโงด10บกายครสามวะจีครสี่ 4, มโนคำสามพระเจ้าสนกายครสาม ข้าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมเป็นทวารของกายที่ทั้งบาปเราก็รู้ตั้งแต่ทีแรกเห็นรูปเห็นนามมันจะมาสั่งอะไรก่อนใช่ไหมถ้าสัตว์มันต้องคิดเป็นบาปก่อนคือความคิดถือนาม จึงไปฆ่ากลายเป็นจำเลยที่สองนามเป็นจำเลยที่หนึ่งดอกซอบก็เหมือนกันว่าพืชผิดในกลามก็เหมือนกันเรามีสติรู้ว่ากีดขมิีพูดเท็จกคำหยาบพูดสจเสียดพูดเพ้อเจอ้อมันก็วางจังใจมีนามะมาทำไม่ได้สอนใจพูดผิด คำหยาบจอเสียดพูดตกริมให้คนทะเลาะวิวาทกันให้คนเฉ็ดข้ากันเป็นมิดเทียมชวนไปทางจิบหอยชวนจินเล่าชวนเล่นการพนันชวนเตียดขัน้นชวนควบผลขั่วเป็นมิดใบกกยมะโนก้อนสี คิดประทุดจะไล่เขาคิดพายบาทปองไายเขาเห็นผิดจากทรนองของธรรมนี่คิดผิดไปเลยผิดเพี่ยนไปเลยทั้งกายวาจาใจากลับมาจะผิดมาตัวมีความหลงเป็นต้นเหตุหลงเป็นมารดาของอกุศลรู้เป็นมารดากุศลทาไมไม่สร้างขึ้นมา สมัยปรับใช้ความหลงความทุกข์เอาแล้วไนี่เรามั่นใจมือห้านิสิบนิ้วเราจะมาทําาความดีเราไม่ว่าจาภาษาพูดเราจะมาบอกความเท้ความจริงบางทีคนหลงก็แสดงให้เห็นก็ต้องบอกคนทุกข์เขแสดงให้เห็นเราก็ต้องช่วยเขาไม่ทุกข์ก็ดออย่าโกรธเตืเพื่อนอย่าโกรธเตือพื่อน เอามงือลูกบอกใจดีก่อนทำใจทำใจทำใจเห็นแม่บ้านโกอดก็ทำใจแม่เอาหมายเอาหมายพ่อบ้านก็ดก็ทำใจหมายเอาหมายเอาหมายไม่ดีเลยเดี๋ยวทำให้เดือดร้อนครอบครั ว, วเราออดีโกอดให้ลูกหน่อยๆไม่รู้เถียงสาก็ประกวดให้แต่ทีลูก ความโกรธมันทำได้ถ้าโกรธเราทำมอเลยได้เวลาหายโกรธเสียายเสียเปียบความโกรธเสียเปรียบความทุกข์เข็นกันอยู่เดือดร้อนกันทั่วไปนเราไม่ได้ทาให้เขาเดือดร้อนไม่เบียดเบียนเขาเขาอยากมาเบียบเบียนเรา เรื่องพูดว่ามีคนลักกโมยสายไฟในวัดสองรอบแล้วยังฝังไว้อยู่เวลานี้ก็หรือจะเบาอีกก็ไม่รู้ทำไม่สำเร็จหลังพึ่งก็หมดเขียนไว้ขอเป็นทบาทหลังพึ่งหลวงพึ่งในวัดขรักษาไว้เป็นพ่อพันแม่พัน เพื่อจะได้ได้น้าหวานได้เป็นน้ำํำยาให้คนไทยได้ช่วยเป็นนันนานขอให้วันนี้เป็นเฉดอพยทานอย่าทําลายเป็นป่าชีพ ป, ปัตนาบลิสุทสายวันเป็นโมดกของชาติบ้านบงเพื่อเป็นสมบัติของลูกหลานคนไทยทั้งชาติสืบต่อไปเขียนใบเขียนป้ายเป็แผ่นเท่า ก็ดอนเลยติดไปต้นไม้ที่มีผึ้งมันก็มาอยู่เ่าจะลวดน้ำไปล้อมมันก็ทำไปได้แล้วก็ทำาทุกอย่างแล้วก็ไม่ไม่เหลือหมดไปคนเชื่อหนึ่งคนอยู่ในคนร้อยคนคนร้อยคนก็เดือดรลอด โบราณท่านว่าบัตรดิตร้อยคนคนพานเพียงคนเดียวชู้วัตดิตไมได้ชู้คนพานไม่ได้คนพานชนะเอาว่าถ้าเช่นคนเมามาอยู่ในกลุ่มคนไม่เมาสิสิบสามสิบคนคนเมาจะพูดได้มากกว่าคนไม่เมา เราจึงเป็นหน้าที่ของเราต้องบอกต้องสอนกันดีคนเดียวไม่ได้ชวนกันดีห ล, หลายๆคนให้มีความพยอยาวสร้างหวามจริงเกิดขึ้นในชุมชนครอบครัวเรามีความพร้อมดี่สร้างสัง้าเกิดขึ้นในครอบครัวตั้งต้นจากครอบครัวจะสามารถีกัน หลไรก็จะนี่ชวนกันเห็นด้วยอย่าแตกแยกรวมกันใมีความพยายามสร้างสังฆะสังฆะคือรวมกันมีความเป็นสม า, านฉันน์เดียวกันทาความดีได้สำเร็จวันเวลาวันไหนที่ว่างๆเหมาะสมบรรยากาศดีๆประชุมกันชวนกัน เราก็มีพ่อมีแม่มีลูกเท่านี้ครอบครัวเราจะทุกข์ดีมีจนหยาดหยาดร่อนจะทุกขสบายก็อยู่ที่เราเท่านี้พ่อสองคนแม่พ่อกับแม่ในสองคนนี้กับลูกเท่านั้นอะไรเป็นไม่ดีก็ช่วยกันละอะไรเป็นความดีก็ช่วยกันทําบอกกันเวลาบอกอ ก, ก็อย่าโกยอย่าโทโสมโมโห เห็นอะไรก็ดูกันเป็นตาให้กันด้วยเป็นหูให้กันด้วยเป็นเสียงให้กันด้วยเป็นปากเป็นเสียงเป็นสติเป็นปัญญาเป็นขาเป็นเฉแขนให้กันด้วยทำมาที่เทนกันด้วยคนหนึ่งหลงคนหนึ่งไม่หลงเตือนกันอยู่รด้วยประชุมกันอยู่รด้วยรวมประชุมกันอยู่เสมอความเพิอมเตียงกันสมมติคืเป็นความสําเร็จสร้างสังขาขึ้นมาอย่าทะลบะว่ากัน ครอบครัวอะ้รที่มีความสมัครใเกิดพระเรียบุคคลขึ้นมาได้แต่ครอบครัวอะไรแากยากก็ยากลําบากเกิดนรกขึ้นมาในครอบครัวเหลือร่อนกัน <c oughs> เราสามารถสร้างได้นะฝึ <c oughs> กก็กรรมฐานแม่กรรมฐานลูกกรรมฐา น, นเป็นนักกรรมฐานแม่ครัวทำกรรมฐาน เกษกรรมฐ า, านราจการกรรมฐานครูอาจ า, ารย์กรรมฐ า, า น, า จ, า น, น, าานจะอยู่กันเป็นศาสนาภาษีอริเมตัยเสมอกันหมดเลยคนทุกคนก็เป็นผู้มีสติจะติไม่ต้องซื้อต้องหาประกอบกันมาหายใจเข้าก็รู้ได้หรือวราาหลงก็รู้ได้ ยิ่งเวลาวังหลงยิ่งจําเป็นต้องใช้จิติี่เรามาก่อนจําเป็นต้องใช้จิตหยุดไว้ก่อนหยอกพูดในหลักโกรธเวลาโกรธ <c oughs> <c oughs> นิ่งหนึ่งไก่อนไม่พูดในเวลาโกรธนิ่งไว้ก่อนนี่ว่านิ่งได้หยุดได้สงบได้เมื่อใครมี เหมือนเย็นในตู้หลอมเหล็กตรงไหนร้อนให้เย็นเย็นใจเย็นได้ทุกรูปแบบไม่ใช่เย็นกายแม้กายจะร้อนก็ใจเย็นไว้มันจะเป็นพลหลังเหงื่อก็ไม่ออกมากพลังงานไม่สินเสียถ้าใจเย็นถ้าใจร้อนไว้ด้วยก็พลังงานสูญเสีย ฉันเก็บอย่างนี้เก็บทั้งกายทั้งใจเหมือนถูกลูกสอนสองดอกแล้วก็โฉนเฉียพลังงานมากพระอริยบุคคลถูกลูกสอนดอกเดียวเฉพาะลูกส่วนนางไม่เก็บไม่มีลูกสอนถูกได้เหมือนเราได้ยินปฐมโมจกโพธพุทธประวัติมายีลูกสอนมา ยิงสวนมาวันพระเจ้าตัดสะลูมานยิงสอนมามาถึงพระเจ้ากลายเป็นดนอกไม้ทูกเทียนบทีก็มาขี้หน้าแย่งต้นชีวาโผว่าเป็นของเขาลอยหนีลงไปพระเจ้าก็ เราก็นั่งอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้จนค่นคืนไม่เรามานั่งอยู่ก็ไม่มีใครอยู่เรามานั่งอยู่นี่ไม่มีใครอยู่เราจนนั่งอยู่สว่างใกลสว่างแล้วงานถบวรไม่ใช่ดรา ไ, ดไปได้ อะไรเป็นหลักฐานกว่า น, นั้นพระพิจารณาชี้ใช้แผ่นดินแผ่นดินนี้เป็นหลักฐานานั่งอยู่นี่มีแต่แผ่นดินเห็นเราอยู่นี่เป็นหลักฐานมานก็ผ้าแพ้ปไปเลยทรมิตรหนักแน่นเหมือนแผ่นดินให้หวั่นไหวนั่งชีวิตเราต้องปลุกต้นสอนตนจะได้ อ, อยู่กับโลกอย่างสง่างาม โลกนี่มีรสชาติต้องจุดด้วยความมีธรรมะอดทนก็ไม่มีธรรมะแล้วก็อ่อนแดพ่ายแพ้โลกไปหมดเลยเสียงก็มีลดปิ่นก็มีลดลื่นก็มีลดกลายก็มีลถจิตใจก็มีลด รถรถเป็นท่าของรถป่าติดเบ็ดเสาซื่อดาวเทียมซื่อท่องฟ้าโพษณาอะไรต่ า, างๆเต็มไปหมดเลยคนที่อินเที์วันไหวก็ย่อมเชื่อตามเด็กๆทุกวันนี้เป็นท่าของสื่อสารโฆษณาจวนเชื่อแต่ก่อนเด็ก ตอนเย็นกินข้าวแล้วมา น, นั่งเอาหอพาดเข่าพ่อแม่ให้พ่อแม่เล่านิทานให้ฟังพ่อแม่ก็เล่านิทานเรื่องดีๆเรื่องจำปาสีต้นเรื่องผมหมองเท่าอืผ้าสีน้อยอะไรต่างๆไปฟังนิทานเราก็อยากเป็นตัวอย่างเหมือนคนดีตัวอย่างคนชั่อเราก็เกลียด ไม่อยากคนชัวนช่วบางคนเชั่นนั่นต้องสอนคนดีแต่ไปเรียนหนังสือเดีนแบบเดินเร็วใหม่ยชนบอหนึ่งย้าวนหนึ่งนกขังเขียนตัวผู้ตัวหนึ่งเกาะอยู่วนจริงมะง่วงในสวนนกน้อยตัวนี้โ้องส่งเสียงร้องแผละจับใจ เห็นทางกระโดดพางไปตามจิงมาจริ๋งโน่นบ้านจิงนี่บ้างมีเด็กเกเรคนนึ่งนั่งเสติ๊กมายิงเขาตายแล้วก็โกรธเด็กเกเรคนนั้น <c oughs> มายิงนกขังเขีนเขาก็ทําลูกนกขังเขียนนีเด็กเกเรยิงนั่งเะติ๊กเยิง ต, ยตายตกบ่าาาามาแล้วก็โกรธเด็กคนนั้นสงสารนกขังเขียนทำให้เราได้มีจิตใจที่เป็น ไม่ดูร้ายไม่อยากทําเช่นนั้นทุกวันนี้วันขี่มาเอา์ไซมีรถทั้งสุนยนตเดินมารอบรั้ววัดยญิงกับลอกในวัดนะมาวัดวาสาธุคตงมันักไก่มันก็ไม่เหมือนที่เราเป็นเด็กจีดินล้อมมาดีนะ อะไรนะวนนี know, only, no? ้เนาะต้องผวนใจเวลา